220นิสีธนาธิอนุชาหน า, นาว่าด้วยทรงอนุญาตผ้ารองนั่งเป็นต้นเรื่องภิกษุนอนหลับขาดสติสัมปชัญญะ353สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายฉันอาหารอันประนีตจำวัดหลับขาดสติสัมปชัญญะ เมื่อพวกเธอจำวัดหลับขาดสติสัมปชัญญะน้ำอสุจิออกมาเพราะความฝันเสนาสนะเปรอะเปื้อนน้ำอสุจิครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงมีท่านพระอานนท์ตามเสด็จเสด็จจาริกไปตามเสนาสนะได้ทอดพระเนตรเห็นเสนาสนะเปะเปื้อนน้ำอสุจิ จึงตรัสถามท่านพระอานนนว่าอานนนเสนาสนะนั่นเปอะเปื่อนอะไรท่านพระอานนนกราบทูลว่าเวลานี้ภิกษุฉันอาหารอย่างดีจำวัดหลับขาดสติสัมปชัญญะเมื่อพวกภิกษุเหล่านั้นจำวัดหลับขาดสติสัมปชัญญะ น้ำอสุจิออกมาเพราะความฝันเสนาสนะนี้จึงเปลือเปอนน้ำอสุจิพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรถามว่าอย่างนั้นแหละอานน์อย่างนั้นแหละอานน์เพราะเมื่อภิกษุเหล่านั้นจำวัดหลับขาดสติสัมปชัญญะน้ำอสุจิย่อมออกมาเพราะความฝัน อานอน์น้ำอสุจิของภิกษุผู้จำวัดหลับมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะย่อมไม่ออกมาอานอน์น้ำอสุจิแม้ของปุตชนผู้ปราศจากความกำหนัดในกามย่อมไม่ออกมาอานอน์ย่อมไม่มีทางเป็นไปได้ไม่ใช่โอกาสที่น้ำอสุจิ ของพระอาหารหันต์จะออกมาต่อมาพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายวันนี้เรามีอานน์เดินตามหลังเที่ยวจาริกไปตามเสนาสนะได้เห็นเสนาสนะ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 น้ำอสุจิออกมาเพราะความฝันเสนาสนะเปื้อนน้ำอสุจิเรากล่าวรับรองว่าอย่างนั้นแหละอา non นนอย่างนั้นแหละอา n น n เพราะเมื่อภิกษุเหล่านั้นจำวัดหลับขาดสติสัมปชัญญะอา n น n น้ำอสุจิย่อมออกมาเพราะความฝันน้ำอสุจิ ของภิกษุผู้จำวัดหลับมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะย่อมไม่ออกมาอานนน้ำอสุจิแม้ของปุถุชนผู้ปราศจากความกำหนัดในกามย่อมไม่ออกมาอานนย่อมไม่มีทางเป็นไปได้ไม่ใช่โอกาสที่น้ำอสุจิของพระอรหันต์จะออกมา